สองหนคนท้องเห็นผีที่อ่าวมะนาวสมัมผัสสยองวันนี้เรามีประสบการณ์ขนหัวลุกมาเล่าสู่กันฟังเหตุการณ์นี้ เกิดขึ้นเมื่อต้นเดือนเมษาที่ผ่านมานี่เองโรงเรียนของเราจัดกิจกรรมศึกษาดูงานไปต่างจังหวัดกันทุกปีแต่ปีนี้มันพิเศษตรงที่เราได้ไปพักกันที่อ่าวมะนาวเป็นทะเลที่เราชอบมาตั้งแต่เด็กเพราะเคยเห็นในรูปแล้วดูสบายใจอ่าวมะนาวเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมแห่งหนึ่งในอำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์อยู่ห่างจากตัวเมืองไปทางทิศใต้ประมาณ5กิโลเมตรบริเวณอ่าวมะนาวมีทิวทัศน์สวยงามเป็นหาดทรายที่สะอาดบรรยากาศสงบเหมาะแก่การเล่นน้ำมาก้า่นตรงข้ามกับหาดก็จะเป็นเขาล้อมหมวกและเป็นที่ตั้งของเขตอนุรักษ์พันข้างแวน่นที่หาดนี้ยามน้ำลด จะเห็นสันทรายทอดยาวให้เดินไปเที่ยวชมได้บริเวณชายหาดมีเตียงผ้าใบให้เช่าหรือจะปูเสื่อนั่งเล่นริมชายหาดก็ได้และมีบริการบ้านพักสำหรับนักท่องเที่ยวด้วยอ่าวมะนาวเคยเป็นยุทธภูมิในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองระหว่างกองทัพไทยและกองทัพญี่ปุ่นโดยจะเห็นแท่งหินขนาดใหญ่แกะสลัก จำลองฉากการต่อสู้ระหว่างกองทัพไทยกับญี่ปุ่นบริเวณอ่าวมะนาวทุกปีจะมีการจัดงานวันรำลึกวีรกรรม8ธันวาคม2884ด้วยสิ่งที่เราคิดว่าจะต้องไม่พลาดเลยเมื่อมาอย่างที่นี่คือการได้ชิมอาหารทะเลสดๆที่มีอยู่หลายร้านมากทั้งยังเคยได้ยินมาว่ามันรสชาติอร่อย ูกปากในบรรยากาศดีๆและราคาไม่แพงอีกด้วยระหว่างเดินทางเรานั่งรถบัสกับเพื่อนสนิทที่กำลังตั้งท้องได้ประมาณสเดือนตลอดทางหลายคนบนรถถามเพื่อนเราว่าติดเข็มกลัดมาหรือเปล่าเพื่อนเราก็ตอบไปว่าไม่ต้องติดหรอกเพื่อนไม่เชื่อคิดว่าเป็นเรื่องโบราณ เพราะคนโบราณมีความเชื่อว่าคนท้องต้องติดเข็มกรดเพื่อป้องกันสิ่งชั่วร้ายมาทำร้ายแม่และเด็กในครรภ์ซึ่งมันอาจจะเป็นเพียงแค่กุศโลบายเท่านั้นโดยปกติแล้วถ้าเรามีอบรมที่ไหนก็จะนอนด้วยกันในหลายๆทีก็ไม่เคยเจอเหตุการณ์อะไรที่ทำให้นอนไม่หลับแต่คืนนี้มันเริ่มไม่ปกติ ตั้งแต่ก่อนที่จะได้ห้องพักแล้วพวกเรามาเป็นหมู่คณะรถบัสสองคันที่ที่เราไปพักเป็นที่พักของค่ายทหารแห่งหนึ่งมีรูปปั้นปราวาลอยู่หน้าทางเขา้าพอไปถึงก็มีกุญแจห้องเตรียมไว้อยู่หลายห้องเพื่อนเราก็บอกกับคุณครูที่มาคุมกุญแจว่าขอใช้สิทธิ์คนท้องนอนชั้นล่างห้องนั้น มันเป็นห้องหมายเลขสองหส่วนคนอื่นๆในคณะที่มาด้วยกันทั้งหมดได้นอนที่ชั้นสชั้นสและอาคารอื่นๆพอแยกย้ายจะเข้าที่พักกันแล้วเรากับเพื่อนก็อาบน้ำเปลี่ยนชุดเตรียมถ่ายรูปสวยๆตรงระเบียงและริมทะเลเราและเพื่อนเราเดินไปถ่ายรูปเล่นจนถึงเวลาทานข้าว ก็ไปกินข้าวที่ห้องอาหารของโรงแรมมีร้องเพลงคาราโอเกะ ก, กันจนถึงสี่ทุ่มเรากับเพื่อนก็กลับเข้าห้องนอนตามปกติห้องที่เรานอนนั้นเป็นห้องเตียงคู่เรานอนติดระเบียงส่วนเพื่อนเรานอนติดห้องน้ำปลายเท้าเป็นกระจกแต่งหน้าเราก็ดูทีวีดูข่าวเล่นโทรศัพท์จนหลับไป มาสะดุ้งตื่นอีกครั้งเมื่อตอนที่เพื่อนเราร้องเรียกเสียงดังพอเราตื่นขึ้นมาก็เห็นว่านางกาลังนอนคลุมโปองอยู่แล้วบอกกับเราว่ากลัวตลอดเวลาเราถามเพื่อนว่ากลัวอะไรนางบอกแค่ว่าน่ากลัวมากเราเลยเปิดไฟสว่างทั้งห้องทุกจุดเปิดทีวีด้วยซึ่งตอนนั้น เป็นเวลาประมาณตีสามสี่สบนาทีเพื่อนเราได้เล่าให้ฟังว่านางนอนไม่หลับเพราะท้องแล้วฉี่ทั้งคืนบวกกับเป็นอะไรไม่รู้ขยับตัวทุกท่าแล้วก็ไม่หลับสักทีก็เลยเปิดเพลงฟังใส่หูฟังทั้งสองข้างแล้วนางก็ได้ยินเสียงแปลกๆดังมาจากเตียงของเราในขณะที่เพื่อนเรา นางฟังเพลงจนเริ่มเคลิมและได้ยินเสียงดังแปลกๆจึงมองตามเสียงนั้นแล้วหูฟังออกข้างหนึ่งแล้วนางก็เห็นเงาคนดำๆเดินมาจากเตียงของเราตอนแรกก็เห็นไม่ชัดแต่พอเงานั้นเดินเข้ามาใกล้ก็เห็นชัดเลยว่าเป็นผู้หญิงแก้มโหนกหน่อยๆทรงผมหน้ามายาวปราบบ่าดูแล้วเป็นคนยุคปัจจุบันนี่แหละ ไม่ใช่คนโบราณเธอใส่กางเกงยีนสีดำใส่เสื้อปกติรูปร่างดีเลยทีเดียวเธอคนนั้นเดินมากดเท้าของเพื่อนไล่ขึ้นไปจนถึงเอวพอถึงกรงท้องก็มือลูบท้องของเพื่อนเราซึ่งเพื่อนเรานางท้องใหญ่มากถึงแม้ว่าจะท้องได้เพียงแค่สามเดือนแต่หลายหลายคนก็ทักว่า เหมือนกับท้องหกเดือนเลยเมื่อนางโดนผู้หญิงคนนั้นเอามือมาลูบท้องตอนนั้นนางบอกตกใจมากคิดว่ามันเป็นความฝันหรือว่าความจริงนางพยายามจะขัดขืนไม่ให้ผู้หญิงคนนั้นมายุ่งกับลูกของนางแต่เงานั้นก็ไม่หยุดพยายามเอามือล้วงเข้าไปด้านในของเพื่อนเรา นางพยายามดิ้นรนขัดขืนแล้วทีบมือของผีตนนั้นออกไปทั้งทั้งที่หลับตาอยู่พอลืมตาขึ้นมาอีกครั้งก็เห็นเงานั้นยังอยู่จึงมั่นใจว่าไม่ได้ฝันไปแน่แนเพลงก็ยังดังในหูอีกข้างของนางอยู่นางพยายามท่องบทสวดแต่ท่องไม่ได้ท่องผิดๆิดถูกถูกมั่วไปหมดเพราะตกใจมาก สุดท้ายจึงใช้วิธีนึกถึงคราดที่คล้องคออยู่ด้านหลังสักพักเงาดำนั้นก็หายไปหลังจากที่เงาดำนั้นหายไปนางก็ปลุกเรียกเราเรียกหลายทีมากกว่าเราจะตื่นพอเราตื่นนางก็เล่าเรื่องให้เราฟังเราจึงบอกไปว่าเพื่อนคิดมากไปหรือเปล่ากินเยอะไปหรือเปล่าไปนอนโรงแรมกันมาเป็นสิบสิบที่ ไม่เคยเจออะไรแบบนี้เราก็เลยบอกให้นอนต่อมันไม่มีอะไรหรอกท้องแล้วฮอร์โมนอาจจะพุ่งพ่านแล้วนางก็บอกว่าผู้หญิงคนนั้นเดินอ้อมมาจากเตียงที่เรานอนอยู่ซึ่งติดกับระเบียงพอเราได้ยินดังนั้นก็ตกใจสะดุง้งรีบกระโจนออกไปที่เตียงเพื่อนในทันทีจะนอนต่อก็นอนไม่หลับแล้ว ตอนนี้จินตนาการต่างๆนานาเต็มไปหมดแล้วเราก็สังเกตเห็นว่าในห้องที่เราพักมีรูปภาพของน้ําตกแข่งหนึ่งซึ่งนํามาตกแต่งห้องไว้ด้วยความที่ตอนแรกเราปิดไฟนอนจึงเห็นแค่เพียงลายน้ําตกขาวๆรูปนั้นมันเป็นรูปของคนสองคนนั่งทําท่ากางแขนรําแต่ว่าไม่มีหัว ดูน่ากลัวมากเลยหันไปคุยกับเพื่อนว่าเห็นอย่างที่เราเห็นไหมนางก็บอกว่ามองอยู่เหมือนกันแต่อย่าเพิ่งพูดอะไรรอให้สว่างก่อนค่อยคุยกันแล้วเรากับเพื่อนก็นอนเตียงด้วยกันไม่กล้าที่จะกลับไปนอนเตียงริมระเบียงแล้วพยายามนอนก็นอนไม่หลับเพราะเปิดไฟสว่างจ้าทั้งห้องทั้งยังเปิดทีวีอีกด้วย อีกใจก็นึกกังวลว่าแขนเราจะไปกระแทกกับท้องของเพื่อนอีกระหว่างนั้นก็นอนคิดไปว่าถ้าไปถามผู้ที่ดูแลสถานที่นี้คงไม่มีใครบอกแน่ๆก็เลยลองค้นหาใน Google ดูก็พบเรื่องราวมากมายเกี่ยวกับที่แห่งนี้พอเช้ามาเราก็เล่าให้ครูที่มาด้วยกันฟังเขาบอกว่า ตอนแบวกุญแจก็เห็นห้องนี้เหมือนกําลังทําความสะอาดอยู่มีการย้ายเตียงเข้าออกด้วยซึ่งพนักงานได้บอกกับครูว่านกตายแต่ครูก็ไม่ได้เอะใจอะไรจนพวกเราทั้งสองได้เจอกับเหตุการณ์ประหลาดในคืนนั้นและเคยได้ยินมาว่าคนทองมักจะเจออะไรแบบนี้ง่ายกว่าคนโดยปกติทั่วไป ซึ่งมันอาจจะเป็นจริงก็ได้สมัมผัสสยอง